เป้าหมายของการมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็คือการทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนให้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถเพราะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดไม่มีที่พึ่งอันใด จะดีเท่ากับอัตตาหิอัตานาวนาโถคือการพึ่งตนเองเพราะว่าตนเองนี้จะไม่มีวันจากเราไปนั่นเองเราจะพึ่งตัวเราเองได้ตลอดเวลาแต่สิ่งต่างๆที่เรากำลังพึ่งกันอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งที่เราพึ่งได้เพียงชั่วครา้งชั่วคราว เป็นที่พึ่งไม่ถาวรเวลาที่เขาจากเราไปเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจกันเพราะตอนนี้เรายังไม่สามารถพึ่งตนเองได้เราเลยต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆไปพึ่งบุคคลต่างๆไปพึ่งร่างกายของเราพอบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆ หรือร่างกายของเราเป็นอะไรไปเราก็จะเดือดร้อนจะวุ่นวายจะทุกข์จะทรมานใจจะเศร้าโศกเสียใจดังนั้นเราจึงควรเรีบมาสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนกันเถิดเพราะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งจะที่เราพึ่งได้จะไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรามีตนเป็นที่พึ่งแล้วเราก็จะไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆไม่ต้องพึ่งบุคคลต่างๆไม่ต้องพึ่งร่างกายเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายอยู่ได้โดยไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย ไม่ต้องพัดพลาคจากกันและกันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุได้ทรงค้นพบคือที่พึ่งในตัวของเราเองเราไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆเราสามารถอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเองตอนนี้เรายังพึ่งตนเองไม่เป็น เราจึงต้องมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเพื่อให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชี้บอกสอนเราว่าการทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนนั้นทำกันอย่างไรนั่นเองเหมือนสมัยที่เราเป็นเด็กๆ เ, เวลาคลอดออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆเรายังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ร่างกายของเรายัางไม่สามารถพึ่งร่างกายเขาได้จึงต้องอาศัยร่างกายของแม่ของพ่อเป็นที่พึ่งก่อนให้พ่อแม่เลี้ยงดูสั่งสอนให้รู้วิธีการเลี้ยงชีพให้รู้จักวิธีดูแลรักษาร่างกายของตนแล้วพอโตขึ้นก็ส่งให้เราไปโรงเรียน เพื่อจะได้ไปเรียนรู้จากครูจากอาจารย์วิชาความรู้ต่างๆที่เราจะได้นำเอามาใช้ในการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองนี่คือเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกายก่อนที่จะเลี้ยงดูร่างกายได้ด้วยตนเองก็ต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงดูไปก่อน พอเวลาที่เป็นเด็กเป็นทารกยังไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองได้จึงต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนให้เรามีวิชาความรู้ที่เราจะได้นําเอาไปเลี้ยงชีพเลี้ยงร่างกายของเราต่อไปพอเราเรียนจบ น่างกายเราแข็งแรงโตเต็มที่เราก็สามารถไปทำงานทำการไปหารายได้มาเลี้ยงชีพของของเราเราก็ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ไม่ต้องพึ่งครูบาอาจารย์เพราะเราสามารถพึ่งตัวเราเองได้แล้วแต่นี่เป็นที่พึ่งทางร่างกายส่วนที่พึ่งทางใจ เรายัางไม่สามารถพึ่งตนเองได้ใจของเรายัางต้องพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขเรายัางต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญยังต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะชนิดต่างๆต้องพึ่งร่างกายคือต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายเราวถึงจะเสรรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะได้ แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นของชั่วคราวทั้งนั้ น, น, นมีวันหนึ่งเราจะต้องไม่สามารถพึ่งเขาได้มีวันหนึ่งเขาจะต้องหมดไปหรือจากเราไปแล้วเวลานั้นเราก็จะไม่มีที่พึ่งพอเราไม่มีที่พึ่งเราก็จะเดือดร้อนจะวุ่นวายจะเศร้าโศกเสียใจ จะร้องหมร้องไห้กันเพราะเราไม่มีที่พึ่งทางใจเราไม่สามารถเป็นเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเราได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวิธีทำให้เรามีที่พึ่งทางใจนั้นทำกันอย่างไรวิธีที่จะทำให้ตัวเรานี้เป็นที่พึ่งของเราเองนั้นทำได้อย่างไร ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีวันรู้ได้เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้จักวิธีทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ทำอัตตาหิอัตโนนาโถได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสโรงพระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลแรกของโลกที่ค้นพบวิธี ที่จะพึ่งตนเองได้ที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสารแสนเช่นรูปเสียงกลิน่นรสผลพภะเช่นร่างกายพระองค์สามารถอยู่อย่างมีความสุขและมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการพึ่งสิ่งต่างๆเสียอีกตอนต้นพระองค์ก็ต้องพึ่งสิ่งต่างๆ นที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ก็ต้องพึ่งล า, าบยศสรรเสริญสุขของพระราชโอรสพระองค์มีประสาทสามฤ ด, ดูมีนางสนมกำนันมีข้าข้าราชการาผู้ที่มาคอยรับใช้ดูแลเอนอง ความสุขต่างๆให้กับพระองค์มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีตาหูจมูกลิ้นกายที่ดีที่สามารถเสพความสุขต่างๆได้อย่างต่อเนื่องแต่วันหนึ่งพระองค์ก็ทรงเสด็จออกไปนอกพระราชวังแล้วทรงไปพบเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวช ยังทําให้ความรู้สึกว่าพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งของตนนั้นหายไปทันทีเพราะเมื่อทรงทราบว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ที่พระองค์ทรงใช้อาศัยเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับพระองค์นั้นจะต้องไม่สามารถหาความสุขมาให้กับพระองค์ได้เวลาที่แก่เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วย เวลาที่ตายไปพระ อ, องค์ก็เลยเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาหวาดกลัวต่อความแก่ความเจ็บและความตายถึงขีดที่จะทำให้พระ อ, องค์นี้อยากจะหาวิธีหนีให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปให้ได้พระ อ, องค์ก็ทรงพบว่ามีผู้ที่กำลังแสวงหาการ หลุดออกจากการแก่การเจ็บการตายอยู่ก็คือนักบวชบุคคลที่พระองค์เห็นเป็นบุคคลที่สี่ตอนต้นทรงเห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เห็นคนตายต่อมาก็เห็นนักบวชพระองค์ก็ทราบว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่กำลังค้นหาวิธีให้ หลุดออกจากการแก่การเจ็บการตายจึงทำให้พระองค์นี้อยากจะค้นพบวิธีนี้เพราะพระองค์ไม่ต้องการที่จะแก่ไม่ต้องการที่จะเจ็บไม่ต้องการที่จะตายพระองค์ก็เลยทรงสละราชสมบัติเพราะผู้ที่จะหาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนั้น จะต้องไปอยู่แบบนักบวชไปอยู่แบบขอทานไปอยู่แบบไม่มีอะไรไม่พึ่งอะไรไม่พึ่งร่างกายเพราะถ้าพึ่งร่างกายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ต้องลำบากก็ต้องเดือดร้อนจึงต้องไปหาสิ่งอื่นมาพึ่งแทน ร่างกายนี้สิ่งที่พวกนักบวชเขาแสวงหากันก็คือที่พึ่งภายในใจของเขาเองทำอย่างไรให้ใจของเขานั้นมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุข และหลังจากที่พระองค์ได้ทรงศึกษาและปฏิบัติอยู่หกปีด้วยกันพระองค์ก็ทรงค้นพบวิธีที่จะทําให้พระองค์ไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับพระองค์อีกต่อไปไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ต้องสอาศัยทรัพสมบัติข้าวของเงินทองบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆ มาให้ความสุขกับพระองค์พระองค์สงค้นพบความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์โดยการจเจริญทำที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สรงค้นพบทำที่จะทำให้พระทัยของพระองค์นั้นมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์โดยที่ไม่ต้องมีอะไร เป็นเครื่องมือมาทําให้พระองค์มีความสุขเพราะถ้ายังต้องอาศัยร่างกายยังต้องอาศัยลาบยศสำนเสริญอยู่ก็จะต้องพบกับความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เขาเป็นของชั่วคราวนั่นเองพึ่งได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปเวลาเขาจากเราไปความสุขที่เราได้จากเขาก็หายไป สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจความทรมานใจความรนทดใจความเศร้าโศกเสียใจหลังจากที่พระองค์ได้ทรงค้นพบความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆพระองค์ก็เลยนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไป ผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อด้วยวิริยะความอุตสาหะพยายามไม่ช้าก็เร็วก็สามารถทำตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนได้ไม่ต้องพึ่งอะไรในโลกนี้มาให้ความสุขพึ่งตนเองพึ่งการปฏิบัติ สร้างธรรมะที่จะทำให้ใจสงบที่จะทำให้ใจไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขสามารถอยู่กับความว่างได้อย่างมีความสุขอยู่กับความไม่มีอยู่กับความยากจนอยู่กับการไม่มีร่างกาย อยู่กับการไม่มีลาบยศสรรเสริญอยู่กับการไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะว่ามีธรรมที่จะให้ความสุขแก่ใจพอท่านเหล่านี้สามารถปฏิบัติจนทําให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้ท่านก็กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นผู้ที่มีความสุขแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้ามีความสุข เป็นปนผู้ที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขเหมือนกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านเหล่านี้ก็มาช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันยิ่งใหญ่อันมีคนอันมโหฬารนี้มาให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติ แล้วก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันนี่คือการพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่จะทำให้เรานั้นเป็นที่พึ่งของเราเองได้ถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสั่งมาสอนพวกเราจะไม่มีวันที่จะสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้เลยเพราะเราไม่รู้จักวิธีเรารู้จักแต่วิธีที่จะพึ่งสิ่งต่างๆมา ให้ความสุขกับเราแต่เราไม่รู้จักวิธีพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความสุขกับเราเราจึงต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กๆ เ, เราต้องพึ่งพ่อแม่พึ่งครูบาอาจารย์ก่อนพอเราโตแล้วเราสามารถพึ่งตัวเราได้แล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ไม่ต้องพึ่งครูบาอาจารย์อีกต่อไป ฐานใดถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วน้อมนาเอาไปปฏิบัติจนสามารถทำตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนได้แล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปเพราะเราพึ่งตนเองได้แล้วนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของการที่จะทำให้เรานั้น ไม่ต้องพึ่งอะไรต่างๆในโลกนี้ให้เราสามารถอยู่กับความว่างได้โดยไม่เดือดร้อนอยู่อย่างมีความสุขกับการไม่มีอะไรเลยไม่มีลาบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะไม่มีร่างกายอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบาย ดีกว่าการอยู่แบบมีราบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะมีบุคคล น, นั้นมีบุคคล น, นี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีร่างกาย เ, ออเพราะว่ามันเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขแบบยาเสพติดที่จะต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆต้องคอยมีให้เสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่มีให้เสพเวลานั้นก็กลายเป็นความ วุ่นวายใจเป็นความหงุดหงิดลาคาญใจเป็นความเศร้าซ้อยหงอยเหงาเป็นความว้าเหวเป็นความเศร้าโศกเสียใจนี่คือผลที่เกิดจากการที่เราไม่ได้เป็นที่พึ่งของตนการที่เราไปพึ่งบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆมาเป็นที่พึ่งเราจะต้องพบกับความทุกข์ต่างๆ เราจึงไม่ควรที่จะพึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราควรจะทําตามตัวอย่างของพระพุทธเจ้าที่ตอนที่ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ก็ทรงพึ่งสิ่งต่างๆเหมือนที่พวกเรากําลังพึ่งกันอยู่ในตอนนี้แต่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงเห็นว่าพระวรากายของพระองค์นั้นจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไป แล้วจะไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับพระ อ, องค์ได้พระ อ, องค์ก็เลยทรงเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหาความสุขแล้วมุ่งไปหาทมที่จะเป็นเครื่องม้เครื่องมือที่จะสร้างความสุขให้กับใจโดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไรต่างๆไม่ต้องพึ่งบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆไม่ต้องพึ่งร่างกาย มาให้ความสุขกับตนแล้วหลังจากที่ทรงปฏิบัติอยู่หกปีพอองค์ก็ทรงสามารถสร้างตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนได้แล้วพอพระองค์มันนำมาสั่งสอนให้แกพ่พระสาวกพระสาวกนี้กับสามารถทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่าพระพุทธเจ้าอีกบางคนนี้พอฟังทำเพียงครั้งเดียว ก็สามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้เลยเพราะว่ามีคนสอนมีคนบอกวิธีนั่นเองแล้วเมื่อมีกำลังมีบารมีพอก็สามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ทันทีในขณะที่กำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่การมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรลมและมาสั่งสอนนี้จึงเป็นพระคนอันใหญ่หลวงกอ่อน ต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนวิธีสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนต่อให้เราปฏิบัติเข้มข้นขนาดไหนต่อให้เราปฏิบัติขยันขนาดไหนเราก็จะไม่มีวันที่จะสามารถสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้เพราะเราไม่รู้จักวิธีนั่นเองเราก็จะทำแบบคนตาบอด คนตาบอดสร้างบ้านกับคนที่ไม่ตาบอดสร้างบ้านนี้ใครจะสร้างบ้านได้ใครจะสร้างบ้านไม่ได้คนตาบอดจะไปหาวัสดุตรงไหนก็ยังไม่รู้จะไปหาข้าวของต่างๆที่จะมาก่อสร้างก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนเพราะตามืดบอดมองไม่เห็นแล้วเมื่อไปหามาได้แล้วจะมาสร้างมันจะสร้างมันได้อย่างไร ไม่มีวันต่อให้ทําไปจนวันตายก็จะไม่สามารถสร้างบ้านสร้างเรือนของตนเองขึ้นมาได้แต่ถ้ามีคนมาคอยบอกวิธีว่าให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้พอทําตามที่เขาบอกเดี๋ยวเดียวก็สามารถสร้างบ้านให้เสร็จได้นี่คือพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกทำให้สัตว์โลกทั้งหลายนี้รู้จักวิธี ทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้เลยจะไม่มีภาษาโกแม้แต่รูปเดียวการที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรูวนี้ไม่มีใครที่รู้จักวิธีทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครเป็นภาษาโกกันเลยแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรลูแล้ว แล้วนําเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนก็ปรากฏมีพระอาหารหันตาสาวกโผล่ขึ้นมาเป็นจํานวนมากมากมายกายกองยักษง่ายดายและรวดเร็วตอนนี้พวกเราสามารถที่จะทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ง่ายกว่าพระพุทธเจ้านพระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญถึงหกปีด้วยกันถึงจะสามารถทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ แต่หลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงแสดงธรรมแล้วนี้พระ อ, องค์ทรงรับประกันไว้เลยว่าถ้าปฏิบัติตามที่พระ อ, องค์ทรงสอนได้ภายในเจ็ดวันนี้ก็สามารถที่จะทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้หรือถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีจะสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้นี่คือพระคุณของพระพุทธเจ้า ที่มีต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราสามารถทําให้พวกเรานี้ทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ภายในภพนี้ภายในชาตินี้เลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงโปรดเราก็ต้องบําเพ็ญอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญบาเพ็ญบุญบารมีไปได้เรื่อ ย, เ, อยเป็นเวลานับเป็นกลับเป็นกันจนกว่าบารมีจะ มีครบถ้วนบริบูรณ์อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมีจึงจะสามารถตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้สามารถที่จะทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้แต่การที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านี้เป็นของที่ยากมากกว่าจะได้เป็นนี้ก็เกิดขึ้นคอกว่าจะต้องบําเพ็ญบารมีต่างๆ ไม่รู้กี่ล้านชาติด้วยกันจึงจะสามารถที่จะมาพบวิธีที่จะทำให้ตนเองเป็นที่พึ่งของตนได้แต่ท่ามายนี้เราไม่ต้องมาสร้างบารมีกันแล้วเพราะเราอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าเราอาศัยความรู้ของพระพุทธเจ้านี้มาสร้างตนให้เป็นที่พึ่งได้แล้ว ก็เหมือนกับคนตาบอดที่มีคนตาดีมาสงเคราะห์มาช่วยเลยลืะสอนคนตาบอดช่วยคนตาบอดให้สร้างบ้านให้ให้ให้สำเร็จได้ถ้าคนตาบอดไม่มีคนมาช่วยสอนก็จะไม่สามารถสร้างบ้านให้สำเร็จได้พวกเราก็เป็นเหมือนคนตาบอดที่ตอนนี้มีคนตาดีอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวกมาสอนพวกเรา ให้รู้จักวิธีทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเราเพียงแต่ทําตามที่ท่านสอนเท่านั้นเหมือนกับคนตาบอดถ้าทําตามคนตาดีถ้าว่าการที่จะไปเอาวัสดุก่อสร้างนี้ให้ไปเอาที่ไหนเมื่อได้วัสดุมาแล้วให้ทําอย่างไรพอทําตามเดียวเดียวไม่นานก็สร้างบ้านเสร็จ อัในใดพระพุทธเจ้าบอกการที่ทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนนี้ให้ทําด้วยการทําทานให้ทําด้วยการรักษาศีลให้ทําด้วยการภาวนาถ้าเราทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนตามแบบฉบับตามวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติตามแบบฉบับตามวิธีที่พระอรหันตสาบกทั้งหลายได้ปฏิบัติ ไม่นานเราก็จะได้บ้านขึ้นมาเราก็จะได้ตนเป็นที่พึ่งของตนขึ้นมาอยู่ที่การกระทำตามคำสอนนี้ทานั้นเองสอนให้ทาทานก็ให้ทาเราก็ทากันสิมีเงินทองมากน้อยเพียงไรอย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดอย่าเอาไปใช้กับการสร้างกิเลสสร้างพบสร้างชาติกันการนอาเงินทองไปซื้อของตามความอยากต่างๆ ของที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเรียกว่าเป็นการไปสร้างภพสร้างชาติไปสร้างความแก่สร้างความเจ็บสร้างความตายกันไม่ใช่ไปกาจัดความแก่ความเจ็บความตายกันแต่เป็นการไปสร้างความแก่ความเจ็บความตายให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการเอาเงินนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยเช่นไปซื้อ ของที่เรามีอยู่แล้วเช่นรองเท้าเราก็มีอยู่แล้วกระเป๋าพวกเราก็มีอยู่แล้วเสื้อผ้าของใช้ไม้สอยอะไรต่างๆเราก็มีพอเพียงอยู่แล้วแต่เรายังไปซื้อมาเพิ่มอีกเพราะเห็นแล้วชอบเห็นแล้วอยากได้พออยากได้ก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาต้องซื้อให้ได้ถ้าไม่ได้ก็จะทุกข์จะวุ่นวายใจจะเสียใจจึงต้องซื้อมา พอซื้อซื้อมาความวุ่นวายใจความเสียใจก็ไม่มีก็มีแต่ความดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากที่จะซื้อของใหม่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการเอาเงินทองไปซื้อของแบบนี้นะเรียกว่าเป็นการต่อพบต่อชาติต่อความแก่ความเจ็บความตายให้มีเพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะตัดความแก่ความเจ็บความตาย ก็คือเอาเงินนี้ไปทําบุญทําทานแทนเงินที่เราจะไปซื้อของตามความอยากต่างๆให้เอาไปทําบุญทําทานกันแล้วใจของเราจะอิ่มใจของเราจะสุขใจของเราจะพอจะไม่หิวจะไม่อยากได้สิ่งพุ่มเฟยต่าง ๆ, างๆจะไม่อยากได้ความสุขจากการใช้เงินซื้อของต่างๆมาให้ความสุขก็จะสามารถ เลิกหาเงินเลิกใช้เงินได้แล้วจะได้มีเวลามาสร้างธรรมมาภาวนามารักษาศีลกันถ้าเรายังต้องใช้เงินทองซื้อของตามความอยากต่างๆเราก็จะต้องไปหาเงินทองมาซื้อของตามความอยากอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลมาบำเพ็ญจิตตภาวนากัน เราก็ยังจะต้องพึ่งเงินทองเป็นสรณะเป็นที่พึ่งไปเรื่อยๆและเวลาที่เราไม่สามารถหาเงินหาทองได้เวลานั้นเราก็จะกลายเป็นคนว้าเหวเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่สามารถใช้เงินใช้ทองซื้อสิ่งต่างๆอย่างที่เราเคยซื้อได้ดังนั้นขอให้เราหยุดใช้เงินใช้ทองไปในทางนี้กันถ้าเรามีเหลือ เกินความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นปัจจัยสี่เราก็เอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานกันดีกว่าซื้อความสุขแบบใหม่ซื้อความสุขแบบการทำใจให้มีความสงบมีความอิ่มมีความพอในระดับหนึ่งการทำบุญทาทานนี้จะทำให้เรามีความสุขมีความสงบในระดับหนึ่งทำให้เราไม่ต้องไปใช้เงินใช้ทอง ไปซื้อความสุขต่างๆแล้วถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะอยู่เฉยๆได้เราไปปฏิบัติธรรมได้ไปรักษาศีลได้ไปภาวนาได้ไปสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ต้องเลิกใช้เงินใช้ทองเลิกหาเงินหาทองอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหลานตาสาวกทั้งหลายท่านเลิกหาเงินหาทองเลิก ใช้เงินใช้ทองกันท่านเลิกท ร, รมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองด้วยการใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมา้าเครื่องมือการเลี้ยงปากเลี้ยงทองของท่านก็อาศัยการบินทบาทเป็นขอทานเพื่อที่จะได้มีเวลามาบำเพ็ญจิตตภาวนามาสร้างธรรมที่จะทําให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้นั่นเอง พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทกรูปนี้ท่านเป็นผู้ที่สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองท่านไม่อาศัยเงินทองเป็นสารณ ะ, ะเป็นที่พึ่งท่านมาบวชมาปฏิบัติธรรมเพื่อมาอาศัยธรรมเป็นสารณ ะ, ะเป็นที่พึ่งอาศัยสติธรรมอาศัยสมาธิธรรมอาศัยปัญญาธรรมที่จะทําให้ใจเป็นที่พึ่งของตนได้ ที่จะทำให้ใจมีความสงบมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นี่คือวิธีการของการสร้างความสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนสร้างด้วยการทำทานถ้าตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะสละหยุดการใช้เงินใช้ทองหยุดการหาเงินหาทองก็ให้เราลด ปริมาณให้มันน้อยลงใช้เงินให้มันน้อยลงไปใช้เท่าใช้กับสิ่งที่จําเป็นเช่นใช้กับอาหารใช้กับเครื่องนุ่งหม่มใช้กับที่ อ, อาศัยใช้กับยารักษาโรคใช้เท่าที่จําเป็นแล้วจะทำให้เรานี้ไม่ต้องใช้เงินมากแล้วจะทำให้เราไม่ต้องไปหาเงินมามากจะทำให้เรามีเวลา ไปปฏิบัติทําได้ในเบื้องต้นเราก็ปฏิบัติแบบเป็นครั้งเป็นคราวไปก่อนถ้าเราเคยทํางานอย่างหักโหมเพื่อหาเงินหาทองพอเรารู้แล้วว่าการใช้เงินทองแบบนี้มันเป็นการสร้างภพสร้างชาติสร้างความแก่ความเจ็บความตายเราก็ลดปริมาณการหาเงินให้น้อยลงด้วยการลดปริมาณของการใช้เงินทองให้น้อยลงไป ไม่ใช้กับสิ่งที่ไม่จำเป็นใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเราก็จะใช้เงินไม่มากเมื่อเราใช้เงินไม่มากเราก็ไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักอย่างหักโหมอาทิตย์หนึ่งแทนที่จะทำเจ็ดวันเราอาจจะทำแค่สองสามวันก็ได้แล้วเราก็จะมีเวลาที่เราจะได้ไปสร้างทำกันไปปฏิบัติทำกัน อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างที่พึ่งของตนเริ่มต้นจากน้อยไปหามากก่อนอย่างน้อยที่สุดอาทิตย์หนึ่งก็ควรที่จะมีวันสําหรับการสร้างทำการปฏิบัติธรรมกันสักวันหนึ่งเช่นในวันพระอย่างวันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนหยุดการหาเงินหาทองหยุดการหาความสุข จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วให้เข้ามาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมกันจากการรักษาศีลกันศีลที่จะต้องรักษาในวันพระนี้ก็คือศีลแปดเพื่อที่จะได้สนับสนุนในการปฏิบัติธรรมนั่นเองเพราะถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็จะถลายลไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้ไปร่วมหลับนอนกันได้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงได้ ไปงานเลี้ยงได้ไปรับประทานอาหารค่ำได้แต่พอเรามาถือศีลแปดแล้วเราก็จะทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เราก็จะมีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมกันมาสร้างธรรมที่จะมาทำให้เราเป็นที่พึ่งของเราได้เราต้องมีเวลาจะมีเวลาได้ก็ต้องใช้ศีลแปดเป็นผู้ช่วยเราป้องกันไม่ให้เราไปทำ ในกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ได้ทำให้เราเป็นที่พึ่งของเราแต่จะทำให้เราเกลับไปต้องพึ่งสิ่งต่างๆต่อไปเราจึงต้องยุติกิจกรรมเหล่านี้ด้วยการมาถือศีลแปกันพอเราถือศีลแปได้เราก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมกันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่อง รับประทานอาหารอีกต่อไปเราก็เอาเวลานี้มาเจริญสติธรรมกันจเจริญสติด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิจเจริญไปเรื่อยๆถ้าสติมีกําลังมากพอแล้วสติก็จะดึงจิตให้เข้าสู่ข้างในให้รวมเป็นหนึ่งให้สักแต่วรูให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาให้มีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขจากสิ่ง จากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นี่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติในการสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนก็คือสร้างความสงบนี้สร้างสมาธิขึ้นมาเมื่อเรามีสมาธิมีความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องใช้อะไรมาให้ความสุขกับเราเพียงแต่ว่าสมาธิที่เราสร้างขึ้นนี้มันสงบได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นพอออกจากสมาธิมา พอเราไปคิดมาสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวเราก็เกิดความอยากที่จะไปพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราอีกพอเราไปพึ่งเราก็เลยยังติดอยู่กับสิ่งต่างๆต่อไปวิธีที่จะทำให้เราไม่กลับไปพึ่งสิ่งต่างๆเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วก็คือเราต้องเจริญปัญญาต้องใช้ปัญญาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า การที่เราไปพึ่งสิ่งต่างๆนั้นมันไม่ได้เป็นการไปพึ่งไม่ได้เป็นการไปมีที่พึ่งที่ถูกต้องที่ดีที่ปลอดภัยแต่เป็นที่พึ่งที่อันตรายเป็นเหมือนระเบิดเวลาเวลาที่พึ่งที่เราไปพึ่งนั้นเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาเราก็จะเดือดร้อนเราก็จะเจ็บตัวั้นอย่าไปพึ่งอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เพเขาเป็นที่พึ่งเพียงชั่วคราวเท่านั้นให้เรากลับมาพึ่งความสงบเป็นที่พึ่งด้วยการฝืนใจบังคับใจหยุดใจไม่ให้ไปทําตามความอยากที่จะไปพึ่งสิ่งต่างๆเหมือนอย่างที่เคยพึ่งอยู่พอจากสมาธิมาความอยากมันจะดึงให้เราไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสทันทีถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะไหลไปกับความอยากนั้นแล้วเราก็จะกลับไปติดอยู่กับความ ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเวลาเราจะมานั่งสมาธิแต่ละครั้งก็จะรู้สึกยากเพราะจะต้องดึงใจให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองแต่ถ้าเราใช้ปัญญาทุกครั้งที่เวลาใจของเราเกิดความอยากที่จะไปพึ่งสิ่งต่างๆอยากจะไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งชั่วคราว แล้วเวลาที่เขาพึ่งเราพึ่งเขาไม่ได้เราก็จะทุกข์เราก็จะเดือดร้อนให้เราพึ่งสิ่งที่เราพึ่งได้ตลอดเวลาดีกว่าก็คือพึ่งความสงบเนี่ยความสงบจะเกิดขึ้นทันทีถ้าเราฝืนความอยากได้แล้วความอยากที่จะไปพึ่งสิ่งต่างๆมันมันสงบตัวลง ความสงบของใจก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีใจก็จะเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีอะไรนี่คือปัญญาที่เราต้องใช้หลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วคอยสอนใจคอยเตือนใจว่าอย่ากลับไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปกลับไปพึ่งลาบยศสรรเสริญอย่ากลับไปพึ่งบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ให้เราเลิกอยาไปเพึ่งอยาไปอยากพอความอยากที่อยากจะไปเพึ่งสิ่งต่างๆนี้มันถูกสกัดลงด้วยปัญญาใจก็จะกลับเข้าสู่ความสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิสามารถมีความสงบได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องนั่งสมาธิสงบได้ในทุกอิริยาบถถ้ามีปัญญาคอยกำจัดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมา ที่มาสร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับใจพอใช้ปัญญาแล้วความอยากต่างๆมันก็จะสงบตัวลงไปแล้วจิตก็จะสงบจิตก็จะสบายจิตก็จะเป็นที่พึ่งของตนได้นี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญและได้นำมามาสั่งสอนผู้ที่นำมาไปปฏิบัติ แล้วทำได้จนสำเร็จก็เป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาเป็นที่พึ่งของตนเองได้พวกเราก็เป็นพวกเราก็สามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ถ้าเราทำแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญได้ทรงปฏิบัติคือต่อไปนี้เราต้องเลิกใช้เงินใช้ทองไปกับการทำตามความอยากต่างๆการไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆ อันนี้เลิกใช้กันถ้าจะใช้เงินทองก็ใช้ไว้สำนักเลี้ยงปากเลี้ยงทองเท่านั้นไว้ดูแลร่างกายแต่อย่าเอาไปทำตามความอยากเพราะจะทำให้เราต้องใช้อยู่ได้เรื่อยแล้วเราจะทำให้เราไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมเพราะเราจะต้องเอาเวลาไปหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อมาใช้ตามความอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือเรื่องของฐานคือเอาเงินทองนี้มาใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์กับจิตใจกับร่างกายอย่าเอาเงินทองมาซื้อกับทำในสิ่งที่ทำให้เป็นโทษกับจิตใจคือทำให้จิตใจทุกข์จิตใจวุ่นวายจิตใจไม่สงบจิตใจไม่เป็นที่พึ่งของตนพาะเมื่อจะต้องไปพึ่งเงินทองไปพึ่งสิ่งที่เอาเงินทองไปซื้อมา เพิ่งสิ่งของเพิ่งบุคคลเพิ่งอะไรต่างๆแล้วเวลาพึ่งเขาไม่ได้ก็ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ได้มีความสุขไปเรื่อยๆจะต้องเจอความทุกข์เข้าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเลือกใช้เงินทองแบบนั้นแล้วเราจะได้ไม่ต้องหาเงินทองมากจนเกินไปแล้วเราจะได้มีเวลามามาสร้างธรรมะที่จะทําให้เราเป็นที่พึ่งของเรา ที่จะทำให้เราไม่ต้องพึ่งอะไรให้เราอยู่เฉยๆอยู่กับความว่างได้เราจะไม่รู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้เวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวถ้าเรามีท ร, ร ม, มีความสงบเราจะมีความสุขเราไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆไม่ต้องพึ่งบุคคลต่างๆเราอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้นี่แหละคือเป้าหมายของการมาฟังเทศฟังธรรม เป้าหมายของการมาปฏิบัติธรรมเพื่อมาศึกษาวิธีที่จะทำให้เราเป็นที่พึ่งของเราเองได้เพราะว่าไม่มีที่พึ่งอันใดในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้นอกจากตัวของเราเองนอกจากทรรมที่เราสร้างขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งแก่เราเราจึงควรทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการสร้างธรรมเหล่านี้เถิดสร้างทาน สร้างศีลสร้างภาวนาก็คือสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างสติกันขึ้นมาเมื่อเรามีธรรมเหล่านี้อยู่ภายในใจแล้วใจของเราก็จะไม่ต้องพึ่งอะไรอีกต่อไปไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายนี้จะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องพึ่งเขาแล้ว แล้วเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราจะอยู่กับความว่างได้ไปอย่างมีความสุขอย่างในบทพระธรรมที่ทรงแสดงว่านิบานังปรมังสุญยั่งนิบานังปรมังสุขขังนั่นเองนิพานก็คือความว่างความไม่มีอะไรนิพานที่ไม่มีอะไรนิพานที่คือความว่างนี้ เป็นสุขอย่างยิ่งคือการที่เราอยู่กับความว่างนี้หนละเป็นวิธีอยู่อย่างมีความสุขอย่างยิ่งเพราะความว่างนี้จะไม่มีวันจากเราไปไม่มีวันหมดไปจากใจเราถ้ามีอะไรเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปเวลามีก็ดีใจเวลาเขาจากไปก็จะเสียใจงั้นอย่ามีอะไรดีกว่าอยู่กับความว่างดีกว่าแล้วเราจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความทุกข์ใจ ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความวุ่นวายใจนี่คือวิธีสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนสร้างด้วยการมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมว่าให้ต้องต้องทาอะไรบ้างพอฟังแล้วก็รู้ว่าต้องทาทานต้องรักษาศีลต้องภาวนาเมื่อเรารู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติต่อไปนี้เราจะเอาเงินทำบุญเอาเงินไปทาบุญเราจะไม่เอาเงินไปสร้างกิเลสสร้าง พบสร้างชาติสร้างความแก่สร้างความเจ็บสร้างความตายด้วยการซื้อสิ่งต่างๆตามความอยากซื้อของที่ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อแต่อยากซื้อซื้อความสุขที่ละทางตาหูจมูกลิ้นกายเลิกใช้เงินแบบนี้เอาเงินมาทําบุญทําทานแทนถ้ามีเหลือมากเกินไปถ้าไม่เหลือก็ไม่ต้องทําไปรักษาศีลไปอยู่วัดไปภาวนาดีกว่า ไปสร้างธรรมขึ้นมาดีกว่าสร้างสติธรรมสร้างสมาธิธรรมสร้างปัญญาธรรมแล้วใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขใจก็จะอยู่ตามลำพังได้อยู่กับความว่างได้และไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องน้อมนำเอาไปปฏิบัติกันถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ไว้แล้วว่าไม่เจ็ดวันก็เจเดือน ไม่เจ็ดเดือนก็ไม่ไม่เกินเจ็ดปีสามารถที่จะทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษาวิธีสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความสบายความที่เป็นที่พึ่งของตนนี้ให้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความสงสัยอยากจะถามปัญหาธรรมก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหา งั้นอย่าอย่ามาถามตอนที่เลิกแล้วถ้าอยากจะถามขอให้ถามตอนนี้จะตอบให้แต่ถ้ามาถามตอนหลังก็จะไม่ตอบถ้ายังไม่มีใครก็เอาเดี๋ยวก่อนเ ด, เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปก่อนจะได้ยินเสียงกล่าวนมัสกลราวนามัสการครับอาจารย์อยากจะรู้ว่าในมหาสติปัฏฐานสี่ที่บอกให้พิจารณากายในกายเป็นภายในบ้างกายในกายเป็นภายนอกบ้าง พิจารณาการในกายทั้งภายในภายนอกคืออะไรครับมันก็เราก็แปลความหมายได้หลายอย่างแต่ว่าภายในภายนอกร่างกายเราก็มีทั้งภายนอกมีทั้งภายในภายนอกก็สิ่งที่เราเห็นด้วยตาเช่นผมขนเล็บฟันหนังส่วนสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาก็คือที่อยู่ภายในเช่นอาการที่อยู่ใต้ผิวหนังเช่นเนื้อเอ็นกะระดูก เยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับผังผืด อ, อะไรต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราเรามองเห็นร่างกายเราไม่ครบถ้วนเราเลยเห็นเพียงด้านเดียวเห็นด้านที่ทำให้เราหลงรักทำให้เราต้องมาติดกับร่างกายของคนอื่นเพราเราไปรักร่างกายของเขาวพาเราเห็นความสวยงามที่เห็นที่อยู่ภายนอก ถ้าเราเห็นส่วนภายในเราก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายก็จะทำให้เราไม่มีความรักกับเขาได้ทำให้เราไม่ต้องมีเขาเราอยู่คนเดียวได้อันนี้คือเรียกว่ากายนอกภายนอกภายในอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ดูภายในก็คือตัวเราดูร่างกายของเราแล้วก็ภายนอกก็ดูร่างกายของคนอื่น เพื่อที่เราจะได้เห็นว่าร่างกายของพวกเราทุกคนนี้เหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันมีการแก่การเจ็บการตายเหมือนกันมีอาการ32เหมือนกันทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ทั้งหมดถ้าเราดูแต่ร่างกายของเราเราอาจจะปล่อยของเราแต่เราอาจจะไปติดของคนอื่นก็ได้เพราะเราไม่ได้เห็น ความเป็นจริงของร่างกายของคนอื่นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราพิจารณาอย่างรอบข้อให้พิจารณาทั้งร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นพิจารณาภายในส่วนที่อยู่ภายนอกของร่างกายและพิจารณาส่วนที่อยู่ภายในภายในก็ไม่น่าดูภายนอกน่าดูมันก็จะทําให้ใจเราไม่ลักไม่ชังอยู่ตรงกลางได้จะเฉยว่า ปล่อยวางร่างกายไนดะ้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่ทุกข์กับร่างกายทั้งของเราและของผู้อื่นะน้มัศการพระอาจารย์ค่ะลูกขอโอกาสถามเรื่องการปฏิบัติด้วยตนเองของศีลแปดนะคะเรื่องเกี่ยวกับที่นอนค่ะถ้าพื้นเป็นพื้นปูนมันไม่สามารถปูเสือได้ผืนเดียวค่ะสามารถ นำที่นอนแบบยางพาราซึ่งสูงประมาณไม่เกินออหนึ่งข้อมืหรือสองนิ้วเมื่อนี้ยคะ่ะได้ไหมคะถ้าปูเพื่อรักษาร่างกายคือถ้าพื้นมันเย็นแล้วนอนแล้วมันจะไม่สบายได้ก็ใช้ได้แต่อย่าปูเพื่อให้มันนอนอย่างสบายเพราะกลัวว่าจะนอนมากเกินไป <c oughs> เปวลาที่เรานอนบนฟูกหนาๆนะมันสบาย เวลาที่ร่างกายพักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกก็จะนอนต่อไปอีกสองสามชั่วโมงทำให้เสียเวลามีค่าที่จะเราที่จะเอามาใชในการปฏิบัติถ้าเรานอนบนพื้นที่มันไม่สบายพอร่างกายได้พักผ่อนพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากนอนต่อก็จะรีบลุกขึ้นมาภาวนาต่อแล้วขนาดของหมอนที่เคยนอนใหญ่ๆต้องเปลี่ยนให้เล็กลงไหมคะ หมอ น, นี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร like มีก็ได้ไม่มีก็ได้ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้หมอนข้างมีถึงไปกอดได้ไหมคะไม่ได้ไม EM ่ได้เขาจะให้เลิกกอดนี่ก็ถึงให้มาภาวนานม่งจะไปกอดมันเองเข้าไหมอ๋อค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่ากอดหมอนกอดคนมันก็เหมือนกันอ่ะสามนิมิตการเยอะค่ะทีฉันอยากจะถามว่าถ้า สามตัวนี้หลุดแล้วจะกลับมาเกิดอีกได้ไหมคะสามได้สามตัวเลยกดโลภหลงะคะ่ะอ๋อถ้าไม่มีโลภกดหนองก็ไม่กลับมาเกิดแล้วค่ะต้องปฏิบัติศินสมาธิปัญญาก็จะทําลายโลภกดหนองได้หมดแต่ต้องปฏิบัติเต็มที่ตลอดเวลาเพราะโลภกดหนองมันทําเวลาทํางานตลอดเวลา เราปฏิบัติบางเวลาช่วงที่เราไม่ปฏิบัติมันก็ยังออกมาเพ่นพ่านออกมาอสร้างความทุกข์สร้างความาวามุ่นวายใจให้กับเราได้อยู่แะแห้เราต้องปฏิบัติทุกเวลาเมื่อถึงขั้นปฏิบัติจริงๆนี่มันจะปฏิบัติตลอดเวลาเลยเขาเรียกว่าไม่มีเวลาไหนที่ไม่ปฏิบัติใจต้องคอยดูโลรโกรดหนุงตลอดเวลามันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ฆ่ามันเมื่อนั้นเลย อยากทราบว่าคำว่านิพพานังปรมังสุ ข, ขังนะคะก็นั่นแหละความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขอย่างยิ่ง hmm. ใจที่สงบปราศจากโลภโกรดน้งเรียกว่า น, นิพพาน ใ, ใจที่จะสงบปราศจากโลภโกรดน้งได้ก็ต้องเป็นใจที่ว่างไม่ยุ่งกับอะไรไม่มีอะไรไม่เกี่ยวข้องกับอะไระะขอบพระคุณเจ้าคะ่ะ ห น, หนูขอโอกาสอีกนะคะ เ, เรื่องนอนพอเข้าใจแล้วคะ่ะพระอาจารย์ขอถามเรื่องกินนะคะพระอาจารย์แบบสี่แปดอย่างเงี้ยคะ่ะสมมติว่ากินไม่เกินไม่เกินเที่ยงเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบเก็บของที่หนูอยากกินเอาไว้ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เเอราอยากกินอะไรเรากินให้เต็มที่เลยจนถึงเที่ยงเงี้ยค่ะไ ป, ไปหาซื้อมาอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็ออกขับรถไปซื้อของมากินข้างนอกแต่ว่าก็ตั้งใจว่าไม่เกินเที่ยง อย่างนี้ถือว่าเราปฏิบัติสีบแปดใช้ได้ไหมคะก็ได้ในในในระดับหนึ่งคือปฏิบัติไปตามกฎคือไม่กินหลังเที่ยงแต่ถ้ากินด้วยความอยากนี่ก็ยังก็ผิดอยู่ไม่ควรกินด้วยความอยากกินด้วยความจําเป็นอย่าไปกินของที่เราชอบกินหากินของที่เราไม่ชอบกินมันจะได้ไม่กินมากจะได้ไม่ติดนิสัยการกินให้กินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกิน ให้กินเหมือนกับกินยายานี่เราไม่ค่อยอยากกินกันแ่ะแต่เรากินกันเพราะว่ามันจะต้องมารักษาร่างกายเราก็ให้กินยากินอาหารเหือนแบบกินยาก็หาอาหารที่เราไม่ชอบกินนั่นแหละเอามากินนะมันจะได้ไม่กินมากค่ะแล้วนั้นต่อไปเวลาเราไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวนี่กินกวยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงเครื่องใช่ไหมคะไม่ต้องสั่งด้วยซ้ำไปบอกให้มันเอามาอะไรก็ได้ ไปรากว๋วเตี๋ยวมันเด็กมันถามพี่ยากินอะไรอะไรก็ได้เว้ยเอามาสักชามสองชามเอ า, อเอากินให้มันอิ่มท้องก็พอค่ะอาจารยหนูจะจำไว้ค่ะขอบพระคุณค่ะเด็กมันจะได้งงสักทีว่านานๆจะเจอคนบ้าอย่างนี้นสักทีดักกิเลสเนี้ยกิเลสมันก็จะหลอกเราอยู่เรื่อย กรานมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากจะถามว่าเวลาพูดไกลๆใหม่หนึอยอยากจะถามเวลาทา ก, กิจวัตรประจาวันของเราแบบกายเคลื่อนไหวใจที่รับรู้การปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมคะอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติโดยใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งเฝ้าดูการกระทําของร่างกายไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถ้าถูก ถ้าดูแล้วยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ยังไม่ถูกต้องอยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่อย่างเดียวเช่นกำลังกินข้าวก็อยู่กับการกินข้าวอยากกินข้าวแล้วก็มานั่งคิดว่าเมื่อวานนี้ไปทําอะไรมาพรุ่งนี้จะไปทําอะไรต่ออย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสติสติต้องอยู่กับเรื่องกินอย่างเดียวขณะที่กินขณะที่ตักข้าวก็รู้กําลังตักข้าวกาลังกําลังเคี้ยวก็รู้กําลังเคี้ยวกําลังกลืนก็ต้องรู้กําลังเกิน ค่ะขอขอบคุณค่ะกลับนามัส ก, การพระอาจารย์ครับผมมีคําถามนะครับคือว่าที่พาท่านกล่าวว่าการฉันวันละมื้อเดียวเนี่ยทําให้อ า, าพาษน้อยหรือมีโรคน้อยเนี่ย อ, อผมสงสัยว่าจะจะําเป็นโรคกระเพาะเปล่าครับถ้าฉันมื้อเดียวเนี่ยหรือว่ า, าจะ อ, อาการโรคอะไรต่างๆจะทําให้สุขภาพดีขึ้นนีย ไม่เป็นหรอกเพราะว่ากินเป็นเวลาคนที่เป็นโรคกระเพาะนี่เป็นเพราะกินไม่เป็นเวลาเวลาที่กินนี่น้ําย่อยมันจะออกมาแล้วถ้าเราไม่กินเวลานั้นมันก็จะไปกัดกระเพาะบางทีเราทํางานบางทีเลยเวลาไปอย่างนี้ไปกินเวลาที่มันน้ําย่อยมันออกมากัดกระเพาะไปแล้วถ้าทําอย่างนี้ไปมันก็จะทําให้เกิดโรคกระเพาะขึ้นมาแต่ถ้าเรากิน เป็นเวลานี้ไม่ว่าจะกินกี่มือ้อมันจะไม่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะนะแต่การกินมื้อเดียวนี้มันก็ดีอย่างทำให้ร่างกายไม่ต้องทำงานหนักกระเพาะก็ทำเพียงครั้งเดียวแล้วน้ำหนักก็ไม่มากทำให้หัวใจไม่ต้องทำงานหนักถ้าร่างกายมีน้ำหนักมากก็มีเลือดมากให้สูบให้ฉีดให้ทำงานร่างกายอวัยวะต่างๆก็ต้องทางานหนักกว่าปกติ ก็เลยทำให้อายุการใช้งานมันไม่ยาวสังเกตดูภาพปฏิบัติที่ท่านฉันมือเดียวนี่หลวงปู่หลวงตานี่ท่านเกินเก้าสิบกันทั้งนั้นพวกเรากินสามมื้อถึงแปดสิบหรือเปล่าบางทีหกสิบก็ไปแล้วหัวใจวายแล้วไขมันอุดตันนะเบาหวานกินนะนี่คือเรื่องของการรับประทานคนจะรับประทานพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พออย่ารับประทานด้วยความอยาก พรมันจะรับประทานมากเกินไปแล้วจะมีผลผลเสียต่อร่างกายทําให้มีโรคภัยต่างๆเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารมากเกินไปไขมันอุด ต, ตันความดันสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นผลที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปต่อไป คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งการที่เราเห็นการกระทำและได้ยินคำพูดของบางคนที่เขาไม่ชอบเราหมั่นไส้เราแล้วเรารู้สึกเฉยไม่อยากตอบโต้ไม่ว่าจะวิธีใดๆเพราะคิดว่าการที่เขาโกรธเกลียดเราทุกก็อยู่กับเขาไม่ใช่เราและอีกอย่างการกระทำและคำพูดของเขาก็ไม่ได้กระทบจิตใจเรา แค่ฟังแล้ววางไม่ได้เอามาคิดต่ออย่างนี้ถือว่าสอบผ่านเรื่องอุเบกขากับเมตตาใหม่คะเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนได้ยินคำพูดลักษณะนี้อาจจะมีสวนหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อให้รู้ว่าคุณจะทำแบบนี้กับเราไม่ได้ก็ถ้าเราวางเฉยได้ไม่เดือดร้อนกับการพูดกับการกระทำของผู้อื่นก็ถือว่าใช้ได้ให้ศัก์แต่วรู้เท่านั้น รู้ว่าเขาพูดไม่ดีรู้ว่าเขาทำไม่ดีแต่เราไม่ไปตอบโต้เราไม่มีอารมณ์กับการกระทำของเขาก็ที่สองครูประจำชั้นของหนูดูแลและเอาใจใส่เพื่อนอีกคนเป็นอย่างดีโดยมีเหตุผลว่าเขาเพิ่งย้ายมาเรียนใหม่ต้องดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษ ในขณะที่หนูครูไม่สนใจทั้งที่สามารถช่วยงานแบ่งเบาภาระครูได้และยังสามารถดูแลเพื่อนๆได้แรกๆหนูเสียใจน้อยใจในความไม่เท่าเทียมความไม่เสมอภาคจนบางครั้งคิดอยากจะย้ายโรงเรียนแต่ก็คิดว่าถ้าทำแบบนั้นก็คงจะเสียเวลาเปล่าหนูเปลี่ยนความคิดใหม่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการทดสอบความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์โกรธน้อยใจและอิจฉาลิสยาของหนูต่อไปหนูจะต้องพยายามทำใจเพราะทุกอย่างเป็นอนัตตาและการที่ครูดูแลใส่ใจนักเรียนมากน้อยต่างกันไม่เกี่ยวกับผลการเรียนแต่อยู่ที่ความเข้าใจและการตั้งใจเรียนของแต่ละบุคคลหนูคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ ถูกแล้วแล้วหลักธรรมที่จะนํามาใช้ในการดับทุกข์ใจจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เพื่อให้ใจสงบไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่อิจฉาคือโพรมวิหารสี่ใช่ไหมคะใช่ก็คือเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างเป็นอนัตตต่างเราไปกําหนดไปสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้ข้อที่สมวิธีที่จะตรวจสอบว่า ทานบารมีเราเต็มแล้วพร้อมที่จะเลื่อนชั้นไปสู่การรักษาศีลและภาวนานี้ดูจากอะไรคะเพราะบางคนเกิดมาร่ารวยแต่ก็ยังหวงเงินทองความสุขความสบายจากเงินทองก็สละปลดตัวเองออกมาไม่ได้เต็มตัวแต่ถ้ามองบางคนที่ไม่ได้ร่ารวยแต่ก็สละความสุขทางโลกแล้วมาปรีกวิเวกภาวนาได้ง่ายกว่าคนที่ร่ารวยค่ะ ก็นั่นแหละก็ต้องสามารถสละเงินทองที่เงินทองไปให้หมดแล้วก็ไปไปปฏิบัติธรรม้อดีสี่สำหรับนักภาวนาที่ไม่ได้มาจากครอบครัวร่ำรวยแต่ปลีกตัวเองมาวิเวกภาวนาบางครั้งประสบกับความอาตัคตคัดขัดสนนี้แสดงว่าทานบา ร, รมีเขายังไม่พอใช่ไหมคะถ้าทานบา ร, รมียังไม่พอต้องเปลี่ยนสถานะออกไปทำทานก่อน หรือต้องทําอย่างไรคะ เ, <อ>เพอไม่ไม่จําเป็นเราเอาว่าอ่านให้จบแม่เพื่อให้การภาวนาก้าวหน้าโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานะจากนักภาวนาไปเป็นนักบุญค่ะคือการเป็นนักภาวนาก็คือต้องการอยู่แบบอัตคัดตัดอัตคัดขัดสนนั่นเองพระที่พระท่านอยู่วัดในบ้านในเมืองอิ่มมีพิมันท่านเลยต้องหนีไปอยู่ในป่าไปทุ่งดงกันเพื่อมันจะได้อัตคัดขัดสนเพราะ การอัตคัดขัดสรนี้เป็นเหมือนปุ๋ยทําให้เราทําให้ธรรมะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเราอยู่กับความอิ่มหนี้พีมันนี่มันจะทําให้กิเลสเกิดขึ้นได้ง่ายเกิดความเกลียดข้านเกิดความง่วงเหงาหานอนจะทําให้ไม่ภาวนาแต่เวลาที่เราอยู่กับการขาดแคลนนี้มันจะทําให้เราต้องพื่งใจคือเราเพึ่งร่างกายไม่ได้เพราะร่างกายมันทุกข์เราเลยต้องมาเพื่งใจ ด้วยการภาวนามันจะบังคับให้เราภาวนาแล้วพอเราภาวนาได้ใจเราสงบเราก็มีที่พึ่งเราก็มีความสุขได้โดยที่ร่างกายจะอัตคัดขัดสนอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไรพระบางองค์ท่านใช้วิธีอดอาหารกันเพื่อที่จะได้บังคับให้ภาวนากันให้ร่างกายมันทุกข์เพื่อที่จะได้ให้ใจไปพึ่งร่างกายแทนไปพึ่งใจแทนร่างกาย ไปพึ่งการภาวนาแทนพึ่งร่างกายดะงนั้นการการที่เราอยู่อย่างอัตคัดขัดสนนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นปุ๋ยที่จะส่งเสริมสนับสนุนธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นมาถ้าเราอยู่อย่างอิ่มินี้พีมั น, นี่เป็นเหมือนกิเลสเป็นเหมือนปุ๋ยเพื่อทําให้กิเลสมันเกิดขึ้นมาดังั้นพระที่มุ่งหวังธรรมต่างๆนี้มักจะอยู่แบบอัตคัดขัดสน แม้เชนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปบวชให้เสียเวลาอยู่ในวังแล้วก็ปฏิบัติในวังไม่ดีกว่าเลยการอยู่ในวังมันสบายเกินไปทำให้เกิดความเกลียดค้านทำให้ไม่คิดที่จะพึ่งทางใจกันก็ยังพึ่งทางร่างกายพึ่งทางลูกเสียงกลิ่นรดอยู่คคำถามจากคุณเป็นต่อขอหลวงพ่อเมตตาอธิบายที่ว่าละกลัวให้ผูก รักลูกให้ตีโดยเฉพาะรักลูกให้ตีทำไมพ่อแม่จึงต้องแสดงความรักด้วยการตีคะก็วัวถ้าเราไม่ผูกมันไว้เดี๋ยวมันก็ไปเพ่นพ่านไปกินข้าวในนาของชาวบ้านเขามันก็สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็จะมาทุบตีมันได้มาฆ่ามันได้เอเมนถ้าเรารักเขาเราก็อย่าไปปล่อยให้เขาไปทับในสิ่งที่เกิดความเสียหายลูกเราก็เหมือนกัน ถ้าลูกเราไปแซมทำอะไรที่มันเสียหายไปลักขโมยถ้าเราไม่สอนเขาด้วยการลงโทษด้วยการตีเขาเขาก็จะคิดว่าทำแล้วไม่มีโทษตามมาเขาก็จะติดเป็นนิสัยไปแล้วเขาก็จะไปลักขโมยอยู่เรื่อยๆต่อไปถ้าเขาไปลักขโมยของคนอื่นเขาเขาไปแจ้งความก็จะถูกตำรวจจับเข้าไปขังคุกขังตารางได้แต่ถ้าเราตีเขาเราห้ามเขาไว้ตั้งแต่ตอนที่เขา ขโมยของในบ้านเราเขาก็จะได้รู้ว่าทําแล้วมีโทษตามมาเขาก็จะไม่กล้าทาต่อไปก็จะทําให้เขาไม่ต้องไปติดคุกติดตารางคำถามจากคุณนีโม่เวลานั่งสมาธิไปได้ระยะหนึ่งประมาณสิบนาทีมีอาการเหมือนหูดับปิ้งไปอาการแบบนี้หมายความว่าอะไรหรือคะก็หูดับวิ่งไปนะี่จะหมายความว่าอย่างไรกไ็รู้ตามความเป็นจริงไป คำถามจากคุณมูลวัตตาเวลาพูดคุยกับใครจะรู้สึกว่าเขาเห็นแก่ตัวบ้างไม่ยอมรับคนอื่นบ้างจนเป็นทุกข์ขอวิธีปฏิบัติเพื่อช่วยให้พูดคุยกับคนอื่นอย่างมีความสุขค่ะนั่งสมาธิก็สงบแล้วก็คิดอีกค่ะก็อย่าไปเปลี่ยนเขาเสียอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเขาเป็นส้มก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นกล้วยไหวให้เขาเป็นส้มไปเราก็จะไม่ทุกข์ ถ้าเราอยากให้เขาเป็นกล้วยแล้วเขาไม่เป็นเพราะเขาเป็นส้มเราก็จะทุกข์คำถามจากคุณโดเลมอนเวลาทำงานทางโลกงานจะหนักปัญหามากมายไม่ว่าเรื่องคนหรือเรื่องอื่นๆเรากลับทนได้เป็นสิ1สิปีแล้วก็มีวินัยต่อการไปทำงานตามเวลาแต่พอมาภาวนาเจออุปสรรคอะไรนิดหน่อยก็ทอ้อยังใช้เวลาภาวนาน้อยกว่า ชั่วโมง ท, ที่ต้องทำงานทำไมตอนทำงานทางโลกถึงไหนถึงกันแต่พอเข้าวัดภาวนาใจถึงไม่สู้คะเพราะกิเลสมันชอบงานทำงานทางโลกนั่นเองเพะทำงานทางโลกกิเลสมันยังมีช่องออกไปทำอะไรได้แต่งานทางธรรมนี่มันตัดทางออกของกิเลสกิเลสมปนเลยไม่ชอบทำมันก็เลยหาเรื่องไม่อยากทำ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่งการละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต้องละให้ได้ทีละอย่างหรือละพร้อมกันหมดทุกอย่างเลยคะก็ละอย่างที่กำลังติดอยู่ตอนนี้ติดอะไรก็ละอย่างนั้นตอนนี้ติดบุหรี่ก็ละบุหรี่ติดเหล้าก็ละเหล้าติดละครก็ละละครมันติดอะไรก็ต้องละมันไปให้หมดแล้วท่านที่ละได้แล้ว เวลากินอาหารจะรู้สึกว่าอาหารมันอร่อยไหมคะรู้แต่ไม่ติดไงอร่อยก็กินไม่อร่อยก็กินกินเพื่อให้มันอิ่มแต่รู้รู้ว่าอะไรอร่อยอะไรไม่อร่อยอที่สองการรักษาสีลแปดดมดอกไม้หอมๆได้ไหมคะถ้ามันถ้ามันอยู่ของมันอยู่เราเดินเราเดินไปดมได้กลิ่นมันก็ดมได้แต่อย่าไปหามาดม ถ้ามันอยู่ของมันโดยธรรมชาติแล้วเราไปได้ดมได้กลิ่นของมันก็ไม่เป็นไรเช่นเราเดินผ่านร้านขายดอกไม้แล้วได้ดมกลิ่นของมันก็ดมได้เพียงแต่ว่าอย่าไปยืนดมอยู่ทั้งวันทั้งคืนคำถามเจ้าคุณธนพลถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วแต่ยังรับรูอ้อาการของร่างกายอยู่ถือว่าเป็นการเข้าสมาธิหรือยังครับก็เข้าในระดับหนึ่งคือ จ็ดไม่ได้ไปปรุงแต่งกับเรื่องราวต่างๆแต่รับรู้เรื่องราวต่างๆได้ยังไม่ได้สงบเต็มที่ยังไม่เข้าไปถึงถึงตัวต้นยังอยู่แถวกลางๆอยู่เราต้องการดึงใจให้เข้าไปที่ต้นใจเกิดใจจะรวมเต็มที่แล้วก็จะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเลยคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการทําบุญแบบไหนถึงจะได้บุญเยอะที่สุดคะ ก็บุญมีสามขั้นน่ยขั้นที่หนึ่งก็คือทานขั้นที่สองก็คือศีลขั้นที่สามก็คือภาวนาขั้นที่สามมันก็มากกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองมันก็มากกว่าขั้นที่หนึ่งแต่ถ้าเรายังไม่ผ่านขั้นที่หนึ่งเราก็จะขึ้นขั้นที่สองไม่ได้อยู่ดีดังนั้นเราก็ต้องทําไปตามขั้นของเราเหมือนเรียนหนังสือเรียนมหาลัยมันก็ดีกว่าเรียนชั้นมัธยมเรียนชั้นมัธยมมันก็ดีกว่าเรียนชั้นประถม แต่พอจะเริ่มเรียนเข้าโรงเรียนก็จะไปเรียนมาหาลัยมันก็เรียนไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องเรียนที่อนุบาลไปก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปตามกำลังของเราการทำบุญก็เหมือนกันการทำบุญทาทานให้ทานนี้มันง่ายกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลมันก็ง่ายกว่าการภาวนาแล้วบุญมันก็ได้มากน้อยต่างกันไปอย่างนั้นก็อยู่ที่ความสามารถของเราว่าเราสามารถ ทำบุญในระดับไหนก็ทำไปได้เลยถ้าทำบุญระดับภาวนาได้ก็ภาวนาไปเลยก็จะได้บุญมากครับคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามแรกจากคุณวรัชยานะครับ<ม>ในท ร, รสี่ประการที่พระอาจารย์เมตตาสอนคือจาคะสัจจะขันติและธรรมะนั้น ขันติที่แปลว่าความอดทนกับธรรมะที่แปลว่าความอดกั้นนั้นแตกต่างกันอย่างไรคะไม่ทราบว่าขันติเป็นเรื่องของอารมณ์ภายนอกและอดกั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ภายในหรือเปล่าคะถูกต้องขันติก็คืออดทนต่อสิ่งที่มากระทบจากข้างนอกเช่นความหิวความร้อนความหนาวอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็น ผลที่มากระทบที่เราต้องใช้ขันติความอดทนหรือการทํางานแล้วเกิดอุปสรรคอะไรต่างๆขวางกัน้นเราก็พยายามฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยขันติด้วยความอดทนส่วนความอดกลั้นนี่ก็คือเรื่องของอารมณ์ที่มีอยู่ในใจอารมณ์โกรธอารมณ์โลภเวลาโกรธก็ต้องใช้ความอดกลัน้นอย่าปล่อยให้ความโกรธนั้นมันออกระบายออกไปทางทางการแสดงทางวาจาหรือทางกาย ก็จะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นเวลาเราโกรธใครเราไปด่าเขาไปทุบตีเขาเดี๋ยวก็เกิดเรื่องกันถ้าเรามีความอดกันเดี๋ยวความโกรธนั้นก็จะหายไปดับไปเราก็ไม่ต้องไปพูดไปทำอะไรที่จะทำให้เกิดความเสียหายตามมาคำถามจ้คุณทอนนะครับในขณะที่นั่งดูลมหายใจมันรู้สึกบูบเหมือนตกจากที่สูงเหมือนจะลม้ม อยู่ทุกครั้งทำให้สะดุ้งหลุดจากการนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆจะว่าแสบประงกก็ไม่ใช่เพราะไม่ได้ง่วงมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็ดูลมต่อไปมันจะวูบก็ปล่อยมันวูบไปเราก็ประคับประคองใจด้วยสติให้รู้ให้รู้เฉยๆไปอย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าไปทำอะไรให้นั่งต่อไปถ้าดูลมได้ก็ดูไปถ้าดูไม่ได้ก็ให้มีสติ ประครับประคองให้รู้เฉยๆรู้กับการไม่มีอะไรแล้วใจก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขคำถามจะคุณอุจังนะครับการบวชเนคขมมะรับศีลแปดกับพระที่วัดการบวชเนคขมมะ รับศีลแปดกับพระที่วัดและการถือศีลแปดเอาเองที่บ้านอ น, นิสง์ผลบุญบรารมีได้เท่ากันไหมคะเหมือนกันนะเพราะมันก็รักษาศีลแปเหมือนกันที่รักษาศีลแปด น, นี้ถ้าเรารู้แล้วว่าศีลแปดมีอะไรบ้างเราก็ไม่ต้องไปถามพระที่ไปรับกับพระก็คือเราไม่รู้ว่าศีลแปดมีอะไรเราก็เลยไปถามพระให้พระช่วยสอนเราบอกเราแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปรับจากพระเล ไปไม่ต้องไปถามพระพระเป็นเหมือนครูเท่านั้นเองเป็นผู้บอกศีลให้กับเราไม่ได้หมายความว่าท่านมีศีลแล้วแบ่งให้เราไม่ใช่ศีลของใครศีลของมันถ้าพระเอาศีลของของพระมาให้โยมแล้วพระจะมีศีลเหลืออยู่เหรอพระจะเป็นพระได้ยังไงดังนั้นเรื่องของศีล น, นี่เป็นของใครของมันการไปขอศีลพระนี่เป็นการไปศึกษาไปถามว่าศีลมีอะไรบ้างเพราะเราไม่รู้ ถ้าเรารู้เราก็ไม่ต้องไปขอจากพระเราก็รักษาได้เลยจะรักษาที่ไหนก็ได้รักษาที่บ้านก็ได้รักษาที่วัดก็ได้รักษาที่สงบในป่านในเขาก็ได้เพราะศีลไม่ได้อยู่ที่สถานที่ศีลมันอยู่ที่กายวาจาใจของเราคำถามจากคุณจิรัตนะครับการเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้านป้องกันขโมยถือว่าเป็นการสร้างภพต่อชาติให้ยาวขึ้นไหมครับ ถ้าเราใช้เขาเหมือนแบบแบบเราใช้คนใช้แล้วก็เหมือนกับเราเพึ่งพาสายเขาก็จะทำให้เราต้องพึ่งเขาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยความเมตตาสงสารเพราะเขาไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินเราก็เลี้ยงเขาไปตามสภาพเขาจะอยู่ได้ก็อยู่ไปเขาจะไม่อยู่เราก็ไม่เดือดร้อนอย่างนี้ก็ไม่เป็นการสร้างภพสร้างชาติคำถามจะคุณอ่อ สุรีนะครับจิตที่เข้าสู่นิพพานแล้วไม่กลับมาเกิดแล้วยังเป็นจิตที่รับรู้และต้องมีที่อยู่ไหมคะคือนิพพานแล้วไปไหนก็นิพพานจิตของเราทุกคนมีที่อยู่อยู่แล้วคืออยู่ในโลกทิพย์เจิตเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราจิตเราอยู่ในโลกทิพย์แต่ส่งสัญญาณมาส่งตัววิญญาณมารับข้อมูลจากทางร่างกายเรา เวลาที่ไม่มีร่างกายจิตก็ไม่สามารถติดต่อกับร่างกายได้เท่านั้นเองจิตก็ยังอยู่ที่โลกทิพย์อยู่เหมือนเดิมโลกทิพย์คือที่อยู่ของจิตพวกเราทุกคนแต่โลกทิพย์นี้ก็แบ่งเป็นชั้นๆไปชั้นที่มีความสุขกับชั้นที่มีความทุกข์ชั้นที่มีความสุขเราก็เรียกว่าสุขคติหรือสวรรค์ชั้นต่างๆชั้นที่มีความทุกข์เราก็เรียกว่าทุกขติคืออบาย ส่วนชั้นที่สูงสุดที่มีความสูงมากที่สุดก็คือพระนิพานชั้นที่มีแต่ความสุขที่ถาวรนั้นเราจะเปรียบเทียบโลกเทปก็เหมือนกับคอนโดก็ได้ที่มีหลายชั้นคนที่มีเงินมากก็ซื้อคอนโดชั้นสูงมีเงินมากก็ซื้อเพนท์เฮาส์ไปเลยอยู่ชั้นสูงสุดพระนิพานนี้ก็เป็นเหมือนคอนโดชั้นเพนท์เฮาส์ส่วนถ้าพวกไม่มีเงินก็อยู่ใต้ดินไปอยู่กับพวกคนใช้ที่เขาต้องอยู่ อยู่ชั้นต่ำเนะี่ยเพราะเขาไม่มีบุญกันเขาทําบาปกันนี่คือที่อยู่ของจิตไม่ได้อยู่ที่ร่างกายจิตไม่ได้อยู่ในโลกนี้โลกนี้ระเบิดเป็นเสี่ยงเสียงไปก็ไม่สามารถทําลายจิตได้ทําลายได้แต่เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นจิตก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่จิตไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนะจิตอยู่ที่เดิมตลอดเวลาแล้วเคลื่อนก็ขึ้นลงเท่านั้นเองขึ้นไปตามบุญตามบาปถ้าทําบุญก็ขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อย ถ้าทำบาปก็เลื่อนลงต่ำมาเรื่อยๆถ้าเราทำบุญปฏิบัติธรรมเราก็จะขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดคือชั้นนิพพานแล้วเราก็ไม่ต้องลงมาเพราะชั้นนิพพานนี้เป็นชั้นที่ไม่ต้องลงมาแต่ถ้าชั้นอื่นนี่ยังต้องลงมาเพราะเป็นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นที่อยู่ชั่วคราวดังนั้นก็ขอให้เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องจิตของเราว่าจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เดิมอยู่ในโลกที่ อยู่แบบสุขก็อยู่แบบทุกข์ถ้าทำบาปก็อยู่แบบทุกข์ถ้าทำบุญก็อยู่แบบสุขถ้าอยากจะมีอยู่แบบสุขก็พยายามทำบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำคือทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาไปแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดถ้าไม่ทำบุญไม่รักษาศีลไม่ภาวนาก็จะลงต่ำไปเรื่อยๆไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกเนี่ยชั้นต่ำที่สุด ที่มีความทุกข์มากที่สุดคำถามจากคุณออกแลนด์นะครับผมเริ่มหัดเดินจงกรมโดยตื่นเช้าตีห้ามาเดินจงกรมท่องพุทโธ ร, รู้สึกสงบดีและก็ยังได้ยินเสียงลมหายใจชัดเจนแต่ไม่กี่นาทีต่อมาจากนั้นผมรู้สึกเหมือนว่าเดินไปแล้วจะหลับกลางอากาศขณะเดินคล้ายจะหลับในที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดครับ ควรทําอย่างไรต่อไปถ้าหลับนานก็คงจะง่วงนอนเพราะตื่นมาเช้าก็กลับไปนอนต่อคำถามจากคุณสุกี้นะครับถ้าเรารู้ว่าจิตเราชอบคิดไปเรื่อยแต่วันนี้ลองจัดการกับจิตโดยพูดให้น้อยลงพูดเท่าที่จำเป็นเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดอะไรเรื่อยเปื่อยแต่กลับมารู้สึกว่าอึดอัด รู้สึกไม่จำสายหดหูอย่างนี้จะเรียกว่ามันเป็นธรรมดาของจิตที่ถูกบังคับใช่ไหมคะและการทำอย่างนี้จะทำให้จิตเราพัฒนาขึ้นไหมคะหรือควรมีวิธีใดขอพระอาจารย์ช่วยแนะแนวทางเวลาที่เราพยายามหยุดความคิดนี้กิเลสจะต่อต้านกิเลสมันจะสร้างความรู้สึก อ, อึดอัดไม่สบายใจขึ้นมา แต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วพอกิเลสมันหมดกำลังต่อต้านจิตสงบมันก็จะสุขงั้นตอนที่เรากำลังต่อสู้กับกิเลสก็เหมือนกับตอนที่เราชักกะเยาะกันเขาก็ดึงเราก็ดึงมันก็รู้สึกตึงเครียดกันแต่ถ้าเขายอมแพ้เขาปล่อยปั๊บความตึงเครียดก็จะหายไปหรือเรายอมแพ้มันก็หายเหมือนกัน เช่นเราพูดโธพูดโทไปแล้วมันเตึงเครียดอึอดอัดเราก็เลยหยุดพุดโธไปเปิดทีวีดูมันก็หายเครียดอแต่หายแบบผู้แพ้ถ้าอยาหายแบบผู้ชนะต้องให้มันพุดโธต่อไปจนกระทั่งอกิเลสมันหยุดต่อต้านแล้วมันจิตสงบลงด้วยพุดโธอย่างนี้เราเราหยุดแบบผู้ชนะคําถามจากคุณวิไลลักษณ์นะครับปีชงมีความเชื่อถือได้ไหมคะ ตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยไปศึกษาไม่ไปรู้ว่ามันชงอะไรกันชงกาแฟหรือเปล่าคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับหนูมีโอกาสมางานศพหนูควรน้อมความตายเข้ามาหาตนเองอย่างไรจึงจะเป็นการยอมรับความตายด้วยปัญญาจริงๆก็ให้คิดเขาว่าเขาเป็นอนาคตของเราคือคนที่ตายนี้ ต่อไปเราก็จะต้องเป็นเหมือนเขาตอนนี้เราเป็นอดีตของเขาเขาก็เคยมีชีวิตอย่างเราแต่ตอนนี้เขาไม่มีชีวิตแล้วให้คิดอย่างนี้สลับกันไปเขาเป็นอนาคตของเราเราเป็นอดีตของเขาแล้วในที่สุดอนาคตของเราก็จะก็จะตามมาเราก็จะเป็นเหมือนเขาเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจรงิงถ้าเราเรายอมรับความจรงิงแล้วเราจะไม่ทุกเวลาที่เราตาย เพราะความจริงก็คือร่างกายที่ตายไม่ใช่เราอยู่ดีเพียงแต่เราไปยึดไปติดไปรักไปห่วงเราจึงไม่อยากให้มันจากเราไปพอมันจากเราไปเราก็เลยเสียใจแต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้ร่างกายอยู่ต่อไปไม่อยากให้มันตายท่านั้นเองแต่ถ้าเรารู้ว่าความจริงว่ามันจะต้องตายแล้วยอมให้มันตายเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่มันตาย คำถามจากคุณละเวงนะครับคำว่าสังขารในขัน5คือความคิดปรุงแต่งกับคำว่าสังขารปัจจัยที่สองในปฏิจจสมุปบาทความหมายเดียวกันไหมคะอันเดียวกันเนี่ยสังขารความคิดปรุงแต่งมันก็จะคิดไปทางทางวิญญาณเพื่อไปหารูปเสียงกลิ่นรสคิดไปเพื่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรส แล้วก็เกิดการสัมผัสเกิดความความรู้สึกคือความสุขทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเกิดการอุปท า, านยึดมั่นถือมั่นเกิดกาภาวะการสร้างภาวะใหม่ขึ้นมาสร้างพบสร้างชาติขึ้นมาคำถามจะคุณศักดานะครับการที่ข้าราชการมารวมตัวกันแล้วสวดบทเจ็ดคำพีถวายเป็นราชกุศลให้กับในหลวง โดยไม่มีพระสงฆ์สามารถทาได้หรือไม่ครับได้มันเป็นการทำใจให้สงบการสวดมนต์ น, นี้เป็นการทำสมาธิถ้าทำแล้วจิตสงบก็สามารถที่จะถวายเป็นพระราชกุศลได้แต่ถ้าสวดแล้วไม่สงบก็ไม่ได้จิตต้องรวมเป็นสมาธิถึงจะได้ผลถึงจะเป็นผลขึ้นมา เหมือนกับปลูกต้นไม้ถ้าปลูกแล้วยังต้นไม้ยังไม่ออกดอกออกผลมันก็ยังไม่ได้ก็ต้องปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าต้นไม้มันโตแล้วมันออกดอกออกผลคำถามจากคุณภูวเดชนะครับการปฏิบัติศีลแปดขับรถยนต์ได้ไหมเพราะต้องขับรถไปทำงานอยู่ในช่วงที่ไม่ได้ไปปฏิบัติที่สถานปฏิบัติธรรมหรือวัดครับ คือโดยหลักแล้วผู้ที่รักษาศีลแปดนี้ต้องการที่จะยุติการการกระทําต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆต้องการไปอยู่ในสถานที่สงบเพื่อจะได้บําเพ็ญการภาวนาถ้ารักษาศีลแปดแล้วไปทํางานมันก็จะมันก็จะเป็นการสับสนเป็นการขัดกันแต่รักษาได้ก็ไม่ห้ามเพียงแต่ว่าการรักษาศีลแปดนี้เพื่อให้ เพื่อให้ไปภาวนาไม่ให้ไปทำงานแต่ถ้าจะทำงานแล้วรักษาศีลแปดได้ก็ดีแต่ผลมันไม่ดีเท่ากับการรักษาศีลแปดแล้วไปภาวนาคำถามจากคุณปานะครับหากอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เขาจะได้รับไหมคะ อ๋อไม่ได้หรอกผู้ที่มีชีวิตอยู่เราก็เอาบุญไปให้เขาเลยเอาเงินไปให้เขาเลยไม่ต้องไปไปทําบุญแล้วเอาบุญไปให้เขาเอาเงินไปให้เขาเลยเงินนี้ก็เป็นบุญสําหรับคนที่มีชีวิตอยู่ใช่แล้วเขาก็มีความสุขเขาก็เอาเงินนี้ไปซื้ออะไรได้คําถามจากคุณฟรีดอมนะครับตอนนั่งสมาธิไปสักระยะหนึ่งวิตกวิจารณ์หายไปขนหัวลุกเป็นระยะ ร่างกายโอนเอ็งเหมือนมีคนมาผลักน้ำตาร่างกายเหมือนขยายเพราะรู้สึกตึงๆแล้วจิตก็สงบเหมือนดำดิง่งลงไปในถ้ามืดๆและมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงคล้ายลมหายใจเบามากรู้สึกเป็นสุขอยากถามว่าถึงสภาวะนี้ควรจะพิจารณาอย่างไรดีมีวิธีดำเนินจิตอย่างไรต่อ จะมีวิธีทรงอารมณ์นี้ให้เป็นไปนานขึ้นได้อย่างไรบ้างขอพระคุณครับก็ต้องมีสติประครับประคองใจต้องมีพุโทโธพุโทโธไปอย่างต่อเนื่องหรือว่ามีการดูลมหายใจอย่างต่อเนื่องถ้านั่งเฉยๆโดยที่ไม่มีสติกากับใจเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไปมีผู้ถามมาหลายคนครับเกี่ยวกับากากถิน ของวัดยาและการร่วมบุญครับพระอาจารย์ก็ทางวัดยา น, นี้เป็นวัดหลวงกะถินเลยต้องเป็นกะถินหลวงก็คือเป็นกระถินพระราชทานก็ตามธรรมเนียมก็ต้องเป็นพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นผู้ทอดแต่สมัยปัจจุบันนี้มีวัดหลวงอยู่มากพระเจ้าอยู่หัวไม่สามารถที่จะเสด็จไปทอดได้ทุกวัดก็เลยมอบให้ผู้อื่นเป็นตัวแทนไปทอดแทน อย่างปีนี้ทางการบินไทยก็มารับเป็นผู้แทนทอดกะถินให้กับนายหลวงในวันเสาร์ที่จะถึงนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าตุลาคมเวลาสิบนาฬกาผู้ที่อยากจะร่วมทาบุญก็สามารถติดต่อกับทางวัดได้แล้วทางวัดเขาก็จะบอกวิธีที่จะทำบุญกับทางวัดว่าจะทำอย่างไรได้บ้างเราไม่ทราบรายละเอียดเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ ก็ติดต่อไปที่ทางวัดยานสำนักงานของวัดยานเขาจะมีผู้ที่รับโทรศัพท์แล้วจะแจ้งว่าจะให้ทำอย่างไรมีผู้ถามมาหลายท่านครับว่าสามารถโอนเงินมาร่วมบุญได้ไหมครับก็นั่นสิก็ถึงเต้าโทรไปถามเขาเบอร์โทรศัพท์ใครรู้ไหมของวัดยาน038343กับ 6, 6อะไรไม่รู้เนะี่ยสองตัวหลังนี้เราไม่รู้ เดี๋ยวก็จะโพสในเพจเฟซบุ Facebook ให้เราสามารถโทรติดต่อไปที่สำนักงานได้แต่ต้องในเวลาราชการเพราะหลังจากสี่โมงครึ่งเขาก็จะปิดสำนักงานวันนี้หมดคำถามครับอาจารย์ก็พอดีกับเวลามีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้ตอนนี้นะยังถามได้อยู่เดี๋ยวพอปิดประชุมแล้วมาถามก็อย่าหาว่าโหดร้ายนะเ <laughs> พราะไม่ไหวแล้ว <laughs>